75ปีนะก็สุขภาพก็ดีมาตลอดแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งเนี่ยก็เริ่มพูดไม่ค่อยรู้เรื่องการใช้คำก็สลับไปสลับมาก็เป็นอย่างนี้อยู่พักใหญ่นะภรรยาก็เลยพาไปหาหมอาตรวจนอนตรวจนี่สุดท้ายก็พบว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับ ระบบประสาทที่เชื่อมโยงกับกล้ามเนื้อซึ่งทําให้มีปัญหาทั้งในเรื่องของการใช้ความคิดการพูดคุยรวมทั้งการบังคับนะกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายเริ่มต้นตั้งแต่กล้ามเนื้อส่วนที่เกี่ยวกับการพูดแล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยอาการแบบนี้หรือโรคแบบนี้เนี่ย มันไม่มียารักษานะแล้วมันก็จะดุนแรงไปเรื่อยๆต่อไปก็จะพูดไม่ได้เลยแล้วก็การใช้ความคิดในการใช้เหตุใช้ผลตัดสินใจก็จะเริ่มเสียไปจะทำได้ก็เพียงแค่ว่าฟังรู้เรื่องเข้าใจแต่พูดไม่ได้ ถ้า ต, ต่อไปนะก็จะดีปัญหาการกลืนเพราะพวกนี้มันต้องใช้กล้ามเนื้อนะคนเราไม่ค่อยรู้ทงางการกลืนเนี่ยอาหารนี่มันไม่ใช่เพราะอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะที่ทำให้อาหารนี่มันตกถึงท้องเนี่ยแต่มันเพราะใช้กล้ามเนื้อเนี่ยซึ่งมีถึงห้าสิบมัดนะไม่ใช่น้อยเลยนะในการที่จะทาให้อาหารนี่มัน ตกไปถึงทองเราต้องอาศัยสมองในการควบคุมสั่งการให้กล้ามเนื้อในการกลืนเนี่ยมันทำงานได้อย่างสอดคล้องกันแต่พอกล้ามเนื้อเรามีปัญหาเพราะสมองมันเริ่มเสื่อมน ะ, อะตอนนี้เริ่มแจ่แล้วอันนี้หมอก็อธิบายงนะนนี้นะหมอก็พูดตรงๆนะวันนี้คงจะอยู่ได้เนี่ย สองถึงห้าปีคนปู่คนนี้เนี่ยแกฟังแล้วแกก็ไม่ได้ตื่นตกใจนะแกก็บอกว่าเนี่ยผมก็อยู่มาตอนนี้ก็เจ็ิบห้าขวบแล้วเจ็ห้าปีแล้วไม่รู้ว่าสองหรือ5้าปีข้างหน้านี้จะตายเพราะอะไรก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอโรงนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องทุบร้อนอะไร แล้วแกก็หัวเราะนะคือไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนเลยเพราะว่ารู้ว่าถึงไม่ตายเพราะโรคนี้มันก็คงตายเพราะเหตุอื่นเนะี่ยอาจจะหัวใจวายอาจจะหัวใจหยุดเต้นโลกหลอดด้วยสมองตีบตันทำให้เป็นอัมพฤอัมพาสหรืออาโดนรถชนเนี่ยในใจแกคงคิดแบบนี้นะเพราะว่าอายุก็บ้ากแล้วเนี่ยเจ็สิบห้าปี ถือไม่เป็นโรคนี้เนี่ยมันก็คงเจอโรคอื่นหรือเหตุอื่นที่ทำให้อยู่ได้เนี่ยไม่เกินห้าปีเราก็ยอมรับนะสภาพนะได้แต่ว่าก็ไม่ได้ยอมรับเฉยๆแนละ้วก็พยายามใช้ชีวิตที่ปีอยู่ให้มีคุณค่าขณะเดียวกันก็พยายามทำสิ่งที่ ทำให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปเยี่ยมลูกหลานแล้วก็สถานที่ต่างๆที่น่าสนใจแต่สิ่งที่ที่แกทาให้ขาดนะทำสม่าเสมอคือร้องเพลงแม้แกเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงในโบสถ์ อยู่เป็นประจำนะเพราะว่ามีศรัทธาในศาสนามากนะศาสนาของแ ก, กเป็นศาสนาคริสต์ร้องเพลงในโบสถก็เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้านะก็คือแค่เป็นจิตอาสานะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในโบสนี้มานานแล้วแต่ตอนหลังเนี่ยนะพอเจ็บป่วยเนี่ยมันก็เริ่มร้องเพลงลําบากแนละ้ว ไม่ได้ออกงานแต่ว่าเวลาเขาซ้อมนี่ก็ไปร่วมร้องเพลงซ้อมกับเขาด้วยแต่ตอลอดกาลก็ลุกลามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจกนกระทั่งพูดไม่ได้เขียนไม่ได้อ่านก็ยังไม่ได้เลยนะโอช้ช่อคนเรานี่ถามว่าพูดไม่ได้เขียนไม่ได้นี่มันก็ไม่รู้ว่าจะสื่อสารหรือแสดงความรู้สึกอย่างไร ก็น่าอึดอัดนะต่นนั้นที่สมองเนี่ยดีหมดนะในส่วนของการรับรู้ใครพูดก็เข้าใจภรรยาอ่านหนังสือก็รู้เรื่องอ่านหนังสือให้ฟังนะแต่ตัวเองอ่านไม่ได้พอสมองส่วนที่เกี่ยวกับภาษานี่มันแย่แล้วรวมทั้งสมองทีส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมกล้ามเนื้อตอนหลังก็เดินเหินก็ลาบาก คือเดินก็ล้มการทรงตัวแย่ภูมิก้ามเนื้อส่วนที่เกี่ยวกับขาเท้านี่ไม่ได้แล้วเมันเห็นเลยนะพออายุมากนี่ให้ร่างกายนี่มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะเห็นชัดเลยเนะระร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสั่งอะไรก็ไม่ได้เลยแกก็ทำใจนะก็ไม่ได้อึอดอัดไม่ได้ โวยๆตีโย ต, ต, ตีภายอะไรอะไรที่ยังพอทำได้ก็ทำอย่างเช่นฟังคนพูดรู้เรื่องฟังภรรยาอ่านหนังสือให้ฟังก็รู้เรื่องแต่ตอนลังก็อาการก็ลุกลามมากขึ้นนะเดินเหินก็ลาบากการกินก็เริ่มมีปัญหาแล้วก็เรียกว่าช่วยตัวเองแทนไม่ได้แล้วก็มีภรรยาเนี่ยช่วยซึ่งก็ดีมากนะทั้งมีความ ห่วงใ่สามีแล้วก็มีความเข้า อ, อกเข้าใจแล้วก็ไม่ตีโพยตีภายไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามีก็รู้ว่าอยู่ไม่นานเขาจะไปแล้วแต่ก็ไม่ได้จมอยู่ออกับความความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่พยายามใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีคุณค่านะคืออยู่กับปัจจุบันนั่นแหละ ขณะที่สามีเองทําอะไรได้ก็ทําด้วยกันมีความสุขด้วยกันไม่ต้องไปพะวงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมันมีแต่ทําให้ทอ้อแท้ให้กําลังใจจากภรรยาก็ทําให้คุณลุงันนี้แกก็สามารถที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไปได้ด้วยเหมือนกันมีวันหนึ่งนะภรรยาก็ร้องเพลงนะ ทั้งสองคนนี้เคยร้องเพลงในโบสถ์แต่ต่อหลังนี้ก็มีภรรยาร้องเพลงคนเดียวเจ้าหนึ่งก็ร้องเพลงบทหนึ่งซึ่งทั้งทั้งคู่เนี่ยร้องอยู่เป็นประจำในโบสถ์เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้ามันเพลงนี้มันก็มีทั้งท่อนส่งกับท่อนรับนะนะ ภรรยาก็บอกว่านี่ไม่รู้คิดยังไงนะจู่ๆก็นึกอยากจะร้องเพลงเนี่ยเพลงสรรเสริญพระเจ้าพอร้องท่อนแรกเนี่ยจบนี่จู่ๆสามีนี่ก็ร้องท่อนสองนะรับทันทีเลยแล้วก็ร้องแบบชัดถ้อยชัดคำมากจังหวะจากโคนถูกต้องหมดเลย เมือนกับตอนที่ยังเป็นปกติทั้งที่ตอนนั้นนี่แกพูดไม่ได้แล้วนะให้พญาก็งงนะอ่ะสามีร้องท่อนนี้ตัวเองก็ร้องท่อนที่สองสามีก็ร้องนะรับส่งรับกันเนี่ยจนจบเพลงอย่างสมบูรณ์พญานี่งงมากเลยให้สามีนี่ร้องได้ยังไงนะพูดไม่ได้นะ บางกินยังลำบากเลยนะแต่ว่าเวลาร้องนี่ร้องได้ถูกต้องแล้วก็แจ่มชัดเสียงชัดเจนไอ้ที่คิดว่าความจําของสามีมันแย่ลงจริ ง, รงกับเพลงนี่ไม่มีเลยนะแล้วบอกว่านัดแต่นั้นมาเนี่ยทั้งคุยก็จะร้องเพลงเพลงเนี่ยอยู่ทุกวันนะจนกระทั่งสามีก็ต่อตอนหลังก็เริ่มแย่ ต้องนอนติดเตียงตอนนี้ก็ลองไม่ไหวแล้วกินก็กินลำบากคืนก็คืนยากและสุดท้ายนี่ก็สิ้นลมนะขณะที่นอนหลับกลางดึกตัวภรรยานี่ก็แม้จะเสียใจนะที่สามีจากไปแต่ก็ดีใจนะที่เขาจากไปอย่างสงบเป็นการจากไปที่สวยงาม แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือว่าเนี่ยคนที่สมองแย่แล้วนะพูดไม่ได้กล้ามเนื้อที่คุมเกี่ยวกับเรื่องการกืนการกินหรือแม้แต่การพูดมันก็เสียไปแล้วแต่ทำไมร้องเพลงได้นะร้องแบบชัดถ้อยชัดคำมากไปถามหมอเนาะหมอก็บอกว่าเนี่ย จิตเขายังดีอยู่นะบางทีหมอก็ใช้คําว่าเนี่ยไอ้ส่วนหลังของจิตเขาเนี่ยมันยังทํางานอยู่แต่ว่าส่วนหน้าเนี่ยมันเสียไปแล้วหรือมันก็บ้าเนี่ยจิตส่วนลึกยังทํางานอยู่นะแต่ว่าอจิตส่วนผิวเผินไอ้ส่วนหน้าเนี่ยส่วนส่วนผิวเนี่ยนะมันไม่ทํางานแล้วหรือจะพูดง่ายๆคือว่าสมองนี่แย่แล้วนะแต่ว่าจิตยังดีอยู่แล้วคงเป็นเพราะว่าร้องเพลงนี่บ่อยนะ ร้องเพลงนี้บ่อยร้องเพลงนี้เป็นประจำรวมทั้งมีความรู้สึกซาบซึ้งกับเพลงนี้พราะมีความศรัทธาในพระเจ้าในการที่ร้องเพลงบ่อยเพลงซ้ําๆกันเนี่ยมันก็ทําให้มีผลนะต่อการทํางานของสมองมันเกิดวงจรชนิดหนึ่งขึ้นมาสมองจําได้ร่างกายมันจําได้กล้ามเนื้อมันจําได้พอร้องเพลงนี้มันก็ทํางานสอดประสานกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของใจแท้ๆเลยนะ ใจที่มันมีความศรัทธาใจที่มีความซาบซึ้งในบทเพลงแล้วที่สอมาคือการทำอะไรการร้องเพลงซ้ำๆกันเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกผูกพันทีเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ได้พอเจอเพลงนี้ข้อนี้โอมันจิตมันตื่นขึ้นมาเลยมันก็สั่งกายที่ แยกอยู่แล้วนี่ให้ทำได้นะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วพูดถึงเรื่องเพลงเนี่ยนะมันก็มีอิทธิพลต่อจิตใจของคนมากนะโดยเฉพาะคนที่เขามีความผูกพันกับเพลงเนี่ยหลายคนที่เปโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอัลไซเมอร์อย่างแรงนะมีหลายลายทีเดียนะอัลไซเมอร์นี่คือจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครเลยนะอย่าว่าแต่จำลูกจา ภรรยาเลยประเภทที่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วตกใจ ใ, ใครว่านอนอยู่ข้างๆโทรศัพท์ไปถามลูกสาวว่าเนี่ยมมีคนแปลกหน้านอนอยู่เตียงเดียวกันลืมไปเลยนะว่าคือสามีอ้คือภรรยาแต่ตอนหลังไมาไม่แค่ลืมภรรยานีก็ตืมลูกไปด้วยแต่ว่าพอ ได้ฟังเพลงบางเพลงนะที่ตัวเองเนี่ยผูกพันนะนิ่งเลยนะถูกสักดด้วยเพลงเลยทั้งที่เงื้องะเงงะทําอะไรเงื้อเงะงื้อเงะทำอะไรไม่ถูกเนี่ยจำอะไรไม่ได้นะแต่ว่าจําเพลงได้เดี๋ยว่าเพลงที่ตัวเองเนี่ยผูกพันอาจจะไม่ใช่ร้องนะแต่ว่าฟังอยู่เป็นประจำด้วยความสึกผูกพันกับเพลงเนี่ย จังหวะจากคนของเพลงเนี่ยมันก็มีผลนะต่อต่อจิตใจหรือบางทีอาจจะรวมถึงสมองด้วยจูๆมันก็นึกขึ้นมาได้นะถึงเพลงเนี่ยทั้งเรื่องความจำนี่อย่างอื่นมันแย่หมดแล้วแต่ว่าเพลงเนี่มันเหมือนกับกระตุ้นส่วนลึกของจิตใจให้มันตื่นขึ้นมาจากคนที่เง้องาอยู่ไม่สุขในกายเป็นคนที่มีสมาธิดื่มดําอยู่กับเสียงเพลง อันนี้คงเป็นเพราะได้ฟังเพลงนี้บ่อยๆนะฟังบ่อยๆจนกระทั่งมันซึมลึกไปในจิตใจแต่มันไม่ใช่เฉพาะเสียงเพลงนะที่ฟังหรือเสียงที่ร้องเป็นประจำเนี่ยอะไรก็ตามที่เราผูกพันเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจของเราแม้ในายามที่ร่างกายหรือสมองนี่มันมันแย่แล้วมีหลวงพ่อท่านหนึ่งนะป่วย เป็นโรคหัวใจแล้วก็อาการก็หนักนะเพราะว่าเกิดสมองตีบเลือดไม่เลี้ยงสมองก็เกิดเป็นอัมพึกอัมาพาตขึ้นมาแล้วก็อยู่ในพาะโคมา่าแล้วก็อะารต่างก็เริ่มแย่ลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามีหลายโรคอยู่ห้องไอซ สัญญาณชีพเนี่ยของร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปอดเรื่องหัวใจเรื่องสมองนี่มันแย่หมดเลยอยู่ได้นะเพราะว่าการดูแลของหม อ, อท่อเทอร์นี่ก็เต็มเลยนะนี่ก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยอาการก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ เจ้าตัวก็ไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยแต่ว่าอยู่ไปสักพักเนี่ยหมอพยาบาลก็สังเกตนะพอถึงเวลาประมาณหกโมงเย็นเนี่ยไอ้สัญญาณชีที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความดันไม่เป็นการเต้นหัวใจนะหรือการหายใจเนี่ยมันจะดีนะมันจะกลับมาดีเลย แล้วก็ดีอย่างนี้อยู่ยสักักพักหนึ่งนะประมาณชั่วโมงหนึ่งพอทุ่มสองทุ่มเนี่ยหรือทุ่มกว่าเนี่ยมันก็จะเริ่มรวนใหม่พอว่ารุ่งขึ้นเนี่ยหกโมงเย็นเนี่ยก็จะเริ่มดีนีร่างกายนี่ก็เหมือนกับว่าเริ่มจะเข้าทีเข้าทางแต่พอผ่านไปชั่วโมงหนึ่งถึงทุ่มหนึ่งเอาละสัญญาณชีพก็เริ่มแย่ใหม่หน่าวิตกเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันนะ จนกระทั่งเนี่ยมีพระที่ดูแลเนี่ยท่านสังเกตสงสัยนะว่าเนี่ยนี่เป็นเพราะว่าช่วงหกโมงเย็นถึงทุ่มเนี่ยเป็นช่วงทําวัดนะหลวงพ่อท่านนี้เนี่ยท่านทําวัดเป็นประจำนะไม่เคยขาดเลยแล้วก็เป็นไปได้ว่าเนี่ยหรือว่าเป็นไปได้มากเลยนะว่าเนี่ยที่ท่านเนี่ยอาการเริ่มดีขึ้นเฉพาะช่วงหกโมงเย็นถึงทุ่มเนี่ยเป็นเพราะมันเป็นช่วงเวลาทำวัด จิตของท่านเนี่ยนึกถึงการทำวัดสวดมนต์ถึงแม้ว่าร่างกายนี่มันหมดสภาพไปแล้วในสายตาของหมอเนี่ยแต่จิตเนี่ยยังนึกถึงการสวดมนต์จดจำได้ก็เป็นไปได้ว่าท่านก็อาจจะสวดมนต์ไปด้วยนะใจของท่านเนี่ยเพราะเป็นกิจวัตรประจําันที่ทำมายี่สสามสิบปีหรืออาจจะนานกว่านั้นพอจิตเริ่มสวดมนต์ใจก็สงบพอใจสงบนะความดันก็ดีนะ การหายใจก็ดีหัวใจก็ดีปอดก็ดีก็ค่อยๆกลับมาดีแต่พอพ้นเวลาทำวัดนะก็กลับมาแย่เหมือนเดิมแล้วนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะหลวงพ่อตอนนี้ท่านามีความผูกพันกับการทำวัดสดหมืนมาก แ, แม้ว่าร่างกายจะแย่แล้วแต่ว่าจิตใจเนี่ยท่านยังรับรู้ได้ อย่าไปคิดว่าคนที่เขาโคม่านี่เขาไม่รับรู้อะไรนะบางทีหมอพูดอะไรเขาก็ได้ยินมีเด็กคนหนึ่งโดนไฟไหม้นะแล้วก็พอมาที่โรงพยาบาลเนี่ยนะนหมอนี่ก็ต้องสารวณ น, นะกับการที่จะฉีด ฉีดยาเนี่ยเข้าเส้นแต่ว่าก็หาเส้นไม่เจอนะก็ต้องใช้ตรงหน้าผากนี่แหละแล้วก็เนื้อตัวนี่ก็เขม่าเต็มเลยนะเพราะว่ามันไฟไหม้แล้วก็น้ำที่ใช้ดับไฟนี่มันก็ทำให้เขม่าเต็มตัวนี่ ก, กว่าจะกลมหาเส้นได้นี่ก็ใช้เวลาเด็กโคม่านะแต่สุดท้ายนี่ก็ทำได้สำเร็จ ตอนหลังเด็กก็ฟื้นนะแล้วเด็กพอฟื้นแล้วเนี่ยเรื่องจากบ้านนี่ถูกไหม้ไปแล้วพ่อก็เลยให้เด็กเนี่ยพักรักษาพักติดที่โรงพยาบาลนะเด็กก็ช่วยนะเด็กก็อยู่ที่โรงพยาบาลเด็กก็ช่วยหมอช่วยพยาบาลเนี่ยสมัยก่อนโรงพยาบาลมันมันมันไม่ค่อยมีระเบียบอะไรมากโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยมีครานึงเจอเจอคนที่ ถูกไฟไหม้เหมือนกับเด็กคนเนี้ยพอมาถึงเนี่ยห้องห้องฉุกเฉินหมอก็ทําอะไรไม่ถูกนะเด็กก็เลยบอกว่าก็ทําอย่างที่เคยทํากับผมไงหาเส้นลงแถวหน้าผากนี่แหละที่หมองงเลยนะเพราะตอนที่ทําเนี่ยเด็กเนี่ยโคมา่าแล้วเด็กรู้ได้ยังไงเด็กบอกรู้เด็ ก, ดกจําได้ เดี๋ยวยังบอกเลยนะตอนนั้นปวดมากเลยนะบอกให้หมอเนี่ยตะโกนบอกหมอให้หยุดหยุดหยุดแต่หมอไม่หยุดนะนี่เด็กโคม่านะแต่ว่าเขารู้เรื่องตลอดแล้วเจ็บด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพรารูปเนี่ยแม้ท่านจะโคมา่าแต่ว่าจิตท่านก็คงจะยังรับรู้ได้แล้วพอถึงเวลาสวดมนต์ตั้งก็ใจท่านก็คงจะสวดมนต์ตามไปด้วย ถ, ถือว่าเนี่ยแม้ป่วยก็ไม่ทิ้งการทำวัดสวดมนต์ก็เลยพลอยทำให้จิตใจนีสงบพวเราเนี่ยพอทำอะไรซ้าๆเนี่ยนะโดยเพพาะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อจิตใจเนี่ยถ้าถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวานหรือเธอเวลาที่เวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะจิตมันระลึกได้นะจิตมันก็ทำงานของมันเองที่เคยร้องเพลงอยู่เป็นประจำนะ พอถึงเวลาก็ร้องเพลงขึ้นมาได้ทั้งนั้งที่ร่างกายนี่มันแย่แล้วแต่ว่าจิตเนี่ยมันสั่งกายได้ไม่ใช่เพราะคนป่วยเท่านั้นนะในยาปกติเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์หน้าสิ่อหน้าควาหรือความเป็นความตายนี่บางทีสิ่งที่เราทําอยู่สม่ําเสมอนี่มันก็ส่งผลหรือทํางานได้นะ วิวิชาคนหนึ่งเคเล่าว่ามันหนึ่งเนี่ยขี่จั ก, กรยานอยู่บนถนนนะเพราะวาจู่ๆมันมีรถคันหนึ่งเนี่ยพุ่งเข้ามาจากข้างหลังสงสัยเป็นลกลางคืนนะแล้วก็รถเนี่ยชนจั ก, กรยานของชายคนนั้นอย่างแรงเลยแต่ก่อนที่จะชนเพียงแค่ซีวนนาทีนะชาวเน็บอกว่า เห็นแสงสว่างว่าขึ้นมาในใจนะแล้วก็เห็นหน้าครูบาอาจารย์เห็นหน้าของหลวงพ่อที่เขารบนับถือแล้วจิตก็เริ่มสวดมนต์เลยเสร็จแล้วก็หมดสติไปแน่นอนนะเขาไม่ตายเพราะถ้าเขาตายนี่เขาคงจะเขาคงไม่สามารถจะเล่าเรื่องนี้ได้เขาไม่ตายนะแต่ถ้าเขาตายนี่ ก็คิดวเขาคงไปดีนะเพราะว่าตอนนั้นจิตเขาไม่มีความกลัวเลยนึกถึงหน้าของหลวงพ่อนึกถึงบทสวดมนต์ที่มันทำงานของมันเองตอนนั้นเนี่ยความรู้เนื้อรู้ตัวมันมีแค่ชั่วแป บ, บเดียวนะแต่ว่าจิตเนี่ยมันทำงานหลายอย่างในเวลาช่วงไม่กี่ในช่วงในเวล า, วลาแค่เสี้ยววินาที เขาคงเป็นคนที่สวดมนต์เป็นประจำนะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุเนี่ยจิตมันนึกถึงการสวดมนต์ขึ้นมาทันทีเลยแล้วพอจิตนึกถึงการสวดมนต์จิตก็สงบนะไม่มีความหวาดกลัวหวาดวิตกและที่จริงเขาคงจะนึกถึงหลวงพ่อหรือว่าขอรับหลวงพ่อมากเนี่ยคงจะน้อมนึกอยู่ใน ใ, นใจเป็นประจำพอเกิดวิกฤตขึ้นมาก็ เห็นภาพของหลวงพ่อขึ้นมาก่อนที่จะสวมดมนต์นะจริงคนเราเนี่ยนะเวลาทำอะไรซ้ำๆกันเนี่ยเดี๋ยวเพราะสิ่งที่มันมีความหมายต่อจิตใจสิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เราผูกพันเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะมันพร้อมจะออกมานะแล้วช่วยน้อมนำใจของเราให้เกิดความสงบ แม้กระทั่งในยามที่น่ากลัวเป็นอันตรายแต่ว่าใจนี้ก็ไม่หวั่นไหวเลยถ้าคนเราถ้ามีความผูกพันกับอะไรสักอย่างแล้วก็น้อมใจอยู่กับสิ่งนั้นบ่อยๆนี่มันเป็นต้นทุนที่ดีนะในการที่จะทำให้เวลาเราอยู่ในความยากลาบากหรือเกิดอันตรายเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยน้อมใจเราให้สงบได้ เหมือนกับเวลาเราเจริญสติเนี่ยนะทีแรกเราก็ต้องรักษาสติรักษาความรู้สึกตัวแต่พอถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยสติมันจะรักษาใจเราเช่นเดียวกันสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยใหม่ๆเนี้เราก็ต้องปลูกศรัทธานะสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแต่พอศรัทธาตั้งมั่นแล้วนะให้ศรัทธามือรักษาเรา มีคุณยาคนหนึ่งเนะี่ยแกก็ป่วยในโรงพยาบาลตอนนั้นก็อยู่ในระยะท้ายแล้วแล้วก็มีช่วงหนึ่งนี่ปวดมากเลยยานี่ก็เอาไม่อยู่นะช่วงที่แกร้องครางครวนครางเนี่ยก็มีพยาบาลคนหนึ่งเดินผ่านมานะนี่พยาบาลนี้ชื่อเอื้อจิตนะเอื้อจิตแครํรำอยู่บุรีรัม์ ปกติพยาบาลนี่ยจะถามนะคนป่วยว่าเนี่ยปวดกี่คะแนนจากศูนย์ถึงสิบจะได้ให้ยาถูกแต่ว่าพยาบาลคนเนี้ยแกถามแปลกแกถามว่ายายในชีวิตนี้ทำอะไรที่มีความสุขมากที่สุดยายตอบทันทีเลยหล่อพระแกเคยหล่อพระเมื่อศึกษาปีก่อนาคนอีสานมีการหล่อพระนี่มันเป็นเรื่องมหากุศลมากเลยไม่ใช่ว่าจะทํากันได้ง่ายๆ คุณยายแก่หลอพระแล้วมีความศรัทธาทราบซึ้งมากเภสัชกก็วัยนะก็ถามว่ายายจาได้ไหมวันนั้นยายใส่เสื้อสีอะไรนุ่งผ้าสีอะไรยายจําได้หมดเลยเภสัชกเลยชวนคุยคนไข้เนะี่ยดียก็คุยด้วยนะคุยประมาณสิบยี่สิบนาทีได้นะพอคุยเสร็จนะคุณยายแกก็พูดขึ้นมาเลยหมอหมอแกเรียกภราบาว่าหมอ แปลกนะมันหายปวดไปเยอะเลยความปวดนี่หายไปเยอะเลยนะทั้งที่เมื่อกี้ยังร้องว่าปวดปวดแล้วก็ไม่ได้พยาบาลก็ไม่ได้ให้ยาด้วยแต่ความปวดมันลดลงเพราะอะไรเพราะว่านึกถึงสิ่งที่ตัองศรัทธานะคือพระพุทธเจ้าหรือพระตนัดไตรหรือว่าบุญที่ได้บําเพ็ญ ศรัทธาที่มีสัจจะศรัทธาที่สะสมเนี่ยนะมันไม่ได้สูญเปล่าเลยนะพอนึกถึงหรือพอมีใครพูดถึงเนี่ยจิตใจก็เกิดความปิตินี้พระเจ้าก็ตัดเองนะศรัทธาทําให้เกิดปรามโมทปรามโมทคือความเบิกบานใจปรามโมททาให้เกิดปิติอิ่มเอิบใจปิติทําให้เกิดปสัสสตินะความผ่อนคลายการละใจและทําให้เกิดสุขนะปุยสั้นๆคือศรัทธาทําให้เกิดสุข แล้วสุขในที่นี้เนี่ยนะมันไม่แค่สุขที่ใจเนี่ยมันสุขที่กายด้วยเพราะว่าไอ้ความปวดนะปวดกายนี่มันหายไปเลยมันลดไปเยอะเลยทั้งที่ไม่ได้มอร์ฟินอันนี้เพราะอะไรเพราะศรัทธานะและศรัทธานี่มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะมันเป็นสิ่งที่คุณยายแกะสะสมมานานพอสะสมมานานเนี่ยถึงเวลานะ มันก็มาช่วยได้เมื่อมีคนพูดถึงหรือแม้ไม่มีใครพูดถึงแค่ระลึกนึกถึงเนี่ยมันก็ช่วยได้นะเพ็ฉนสิ่งที่เราทำซ้ำๆเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่ามีความหมายเนี่ยมจะเป็นการปลูกศรัทธาในพระตนตรยัยหรือาการมีศรัทธาสงบในการทำวัดสดมน หรือว่าการรู้สึกดื่มด่ำผูกพันกับการร้องเพลงสารเสริญพระเจ้านะหรือว่าการนึกถึงครูบาอาจารย์อยู่เนืองๆรวมทั้งการสวดมนต์อยู่บ่อยๆเนี่ยในสิ่งเหล่านี้มันไม่สูญเปล่านะจิตน่มันมันจำได้แล้วถึงเวลานี่ในสิ่งที่เราทำนี่มันออกมาทำงานช่วยน้อมใจให้เป็นกุศล ชนิที่ว่ากายนี่มันก็ยอมนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายแม้มันจะไม่ไหวแต่ว่าพอเจอจิตที่เป็นกุศลขึ้นมามันก็ยอมนะน้อมตามไปด้วยที่เคยปวดก็หายปวดที่เคยพูดไม่ได้ก็ดันร้องเพลงไดนะ้หรือว่าที่เคยหัวใจเต้นเร็วหายใจเหนื่อยหอบ มันก็สงบขึ้นมานะหายใจเป็นปกติหัวใจก็เต้นเป็นปกติแม้จะชั่วคราวก็ตามฉันสิ่งที่เราทํำซ้ำๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำว่าสดมนไม่ว่าจะเป็นการเจริญสตินะการแผ่เมตตาการระ ล, ลึกถึงครูบาอาจารย์บ่อยๆการน้อมนึกถึงรัตนตรัยอยู่เนืองๆเป็นอาจินพวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยนะมันไม่สูญเปล่าเลยในยาม วิกฤตเนี่ยจะมาช่วยกู้ใจเราออกจากความทุกข์ออกจากเอาความอกุศลได้ถึงเราจะตายนะมันก็ก็สงบแล้วก็ไปดีไม่มีความวานวิตกอะไร